พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดธรรมกองเพนจังหวัดหนองบวลำพูเรื่องเกล็ดเพชรวงเล็หนึ่ง คำของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างส่องให้เราเดินถูกทางอันนี้น่ายินดีเป็นบุญลาภของเราที่ได้มีศรัท ธ, ธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าให้พากันตั้งอกตั้งใจทําความดีที่ได้มาบวชอยู่นั่นให้เต็มพรรษา อยู่ในบ้านภารักเครื่องกังบนมันมีมากจึงต้องอาศัยผ้ากาสาวพัดของพระพุทธเจ้าคุมไว้ผมเป็นของสกปรกโกนทิ้งเสียเล็บสกปรกตัดทิ้งเสียให้พากันตั้งใจรักษาพระวินยัยพระพุทธเจ้าว่าให้ภาวนาภาวนาชั่วช้างพักหูงูแลบลิ้น ก็มีอนิสงค์อักโขอักขังให้เราตั้งใจภาวนาพุโทโธพุทโธเพราะพุทธเจ้าว่าผู้บวชเข้ามาในศาสนาของเราตถาคตได้ศึกษาเล่าเรียน 84,000 พันพรธรธมขันจบมดได้สวดมนต์กลางวันยังมีภาระอยู่วันละร้อยหน ทั้งกลางวันกลางคืนยังบ่ได้กินก่อนครั้นบวชเข้ามาตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธชั่วช้างพับหูหูแลบลิ้นผู้นี้ได้กินก่อนผู้ศึกษาเล่าเรียนจบพระไตรปิฎกผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษากิ่งก้านสาขาเป็นผู้รักษาใบามัน รักษากระพี้มันรักษาอีอย่างมันทั้งนั้นผู้ที่ภาวนาได้ชื่อว่าเป็นผู้ทําเอาแก่นมันเอาแก่นมันก็เหตุการได้ธรร ม, มะมีแต่มันอยู่มันกินมันสวดมนต์อยู่ทุกวันเท่านั้นธรร ม, มะเป็นอย่างนี้แหละพอเห็นมันอย่างนี้แล้วคิดว่าเรารู้อย่างนี้แล้ว จะไปสอบทำไมมันจะยากมันจะไปติแล้วนั่งทำสมาธิอยู่บนกุฏิทำสมาธิอยู่มันเป็นอย่างละ่ะมื่นมด้อนมดหัวนี่ก็มืนกุฏิอยู่ติดกับเจ้าอาวาสชาวบ้านมันนอนรวมกันมาอยู่กุฏิก็อยู่รวมกันพระเนนพระนอนอยู่ข้างบน เนนนอนอยู่ใต้ถุนอยู่กุฏิเดียวกันมันยากมันหลายคนทุรักใครทุระมันนั่งภาวนามันก็ไม่สงบสงัดให้เลยเข้าไปอยู่ในโบสถ์นั่งทําสมาธิพระกรรมาฐานท่านเฮ็ดยังไงหนออาจารย์มั่นอาจารย์สิงห์ก็ไปอยู่อุดร อ, ออกเดินจงกรมเดินจงกรมหลายๆาย นี่เฮ็ดอย่างนี้เดินจงกลมก็คิดเอาเดินปิดตาไปเดินไปเดินไปมันก็จะลม้มแล้วมันก็ ล, มล้มลงหมาเห่าวอหม้ามันตื่นออกจากที่นั่นไปอยู่อีกตำบลหนึ่งเขานิมนต์ไปเป็นอาจารย์ได้ถามพระองค์หนึ่ง เป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนวัดนั่นแหละว่าท่านรู้ไหมเราภาวนาทำกรรมฐานกับเราศึกษาเล่าเรียนอันไหนมันจะมีอนิสงส์มากได้บุญมากกว่ากันท่านว่าผมไม่เห็นหนังสือเรื่องนั้นมีพี่ชายกับน้องชายสองคนคนน้องศึกษาเล่าเรียนพี่ชายบวชแล้ว ก็เข้าป่าเข้าดงไปเป็นพระกรรมฐานทุดงไปอยู่ตามป่าตามดงพี่ชายได้สำเร็จพระอรหันแล้วกลับมาหาน้องชายน้องชายก็อวดว่าเราเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วใครจะได้บุญมากกว่ากันพี่ชายบอกว่าพี่ชายได้บุญมากกว่าน้องชายก็บอกว่า ตัวเองได้บุญมากกว่าเทียงกันอยู่อย่างนั้นในที่สุดก็พากันไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตุวันพระพุทธเจ้าเล็งเห็นด้วยญาณแล้วว่าพี่ชายที่ทำกรรมฐานได้บุญมากกว่าแต่เพื่อให้คนทั้งสองได้เข้าใจด้วยตัวเองจึงทรงทาอิธิปาฏิหารให้มีน้ำท่วมเต็มไปหมด พระพุทธเจ้าถามว่ามาตามทางเห็นอะไรตอบว่าเห็นแต่น้ำน้องชายน้ำท่วมแค่เอวแต่พี่ชายท่วมแค่หลังตีนบางแห่งพี่ชายน้ำท่วมแค่แข้งแต่น้องชายน้ำท่วมมิดหัวเลยนี่ก็เห็นแล้วว่าใครมีบุญมากกว่ากันใครได้รับอนิสงฆ์มากกว่ากัน พวกเราเล่าเรียนก็ดีจะได้บำรุงศาสนาของพระพุทธเจ้าไว้บ่ให้เสื่อมสูญแต่ให้ภาวนากันเนอ้อให้พากันนั่งไม่นั่งก็นอนเอาหลับไปก็ให้มันหลับไปภาวนาเสียพุทโทธธรรัมโมสังโฆภาวนาอย่าให้มันเสียเวลา การภาวนามันได้อนิสงฆ์มากพอเห็นอันนี้ละ่ะเลยออกเดินทางเดินทุดงไปทาตุนมไปอธิษฐานที่ทาตุพนมนอนกลางคืนอยู่สองคืนก่อนนอนสวดปาติโมกถวายบูชาพระธาตุตื่นขึ้นเช้าก็สวดปาติโมกถวายพระธาตุอีกแล้วอธิษฐาน ข้าพเจ้าจะทำความเพียรทำกรรมฐานถ้าอย่างไม่พ้นทุกข์ให้ข้าพเจ้าได้เกิดอีกอายุ10ปีให้ได้บวชตลอดจนตายคาผ้าเหลืองสองชาติสมชาติ10ชาติ20ชาติร0 0ชาติถ้าอย่างไม่พ้นทุกข์ให้ข้าพเจ้ากลับมาบวชอีกตลอดวันตาย จะเป็นหมื่นชาติแสนชาติก็อยอมถ้ายัางไม่พ้นทุกข์ก็ให้กลับมาเกิดอีกบวชอีกตลอดวันตายทุกชาติทุกชาติจากนั้นมาอยู่อุดรไปพระเจ้าองค์ตื้อพระเจ้าองค์ตื้อนี่สำคัญมีเจ็คห่ออยู่เวียงจันทร์มันเอาดาบไปฟันแขนขาดเลือดพุ่งออกมาจริงๆ ไปเรียกผู้หนึ่งให้เอาทองมาหล่อติดให้ไปเรียกเอาเองคิดสลดใจร้องไห้น้ำตาไหลมาอธิษฐานที่นี่อีกอย่างเก่าขอให้ได้บวชแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วได้บวชอีกจนตายไปทุกชาติจนกว่าจะพ้นทุกข์อย่าให้ข้าพเจ้าได้สึกอย่าให้มีความกำหนัดยินดีในกรรมทั้งหลาย นั่นแหละเกิดมาบ่าทุกข์ไม่มีเราบวชอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ควรหวั่นไหวให้ตั้งใจภาวนาชั่วชีวิตเรามีอานิสงส์มากเป็นทรัพย์ภายในที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเรียกว่าอริยทรัพย์ให้พากันทาเอาจากนั้นก็ออกไปป่าทำกรรมฐาน ไม่ยันผู้ใดไม่กลัวตายตายช่างหัวมันกลางคืนช้างมันมาล้องโอโอเราอยู่ในกระต๊อบมันใกล้เข้ามานั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธมันยังอยู่ไม่ยอมไปนึกได้ว่าบอกให้แม่ออกเอามาขามมาให้ขัดฝาบาทเอาใส่ถุงแกนไว้ที่ข้างกระต๊อบ ช้างมันมากินมะขามมันทำปากเสียงจุดจุดมันเปรี้ยวมันมันอยู่ตั้งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงกินแล้วมันเอางวงล้วงเข้ามาเออันใดมันฮ้อนฮ้อนมันลมหายใจนี่กูจะตายอยู่แล้ววันนี้เราจะทำอย่างใดหนาเราต้องออกไปสู้มันมันเห็นเราออกไป มันยั่นขึ้นมามันยืนเฉยเราต้องพูดกับมันเราจะบอกตามภาษาของเรานี่แหละพี่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยอย่ามากวนเราอย่ามาตีเราเราไม่ได้มาเบียดเบียนใครเรามาเมตตาภาวนาให้สัตว์พ้นทุกข์เท่านั้น ขออย่ามาเบียดเบียนเราให้ฟังตามเราเราจะว่าให้ฟัง 1. อย่าไปฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่เนอ้อสออย่าไปกินไปฉันกล้วยอ้อยของเขา 3. อย่าไปเล่นชู้ลูกเมียท่านเนอ้อ 4. อย่าไปอู้คำไม่จริงห ต้นอันไหนมันเป็นเครื่องดองของเมาอย่าไปกินบาปห้าอย่างนี้อย่าไปทํานะครั้นเว้นกรรมห้าอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรไม่มีกรรมมีเวรแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วครั้นตายจากชาตินี้แล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชมนางฟ้านางสวรรค์ อยู่8ป0 0 0นสี่พันนางพรั้นตายจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพสมบัติไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนแล้วจะได้สร้างบา ร, รมีให้มันเต็มรอบจะได้เข้าไปสู่พระนิพพานตามพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เพราะบาปตัวไม่มีศีลมีธรรม โดนเขาใช้ขอสับเอาเอิกเอกอย่างนี้แหละก็เพราะบาปของตนนี่แหละที่เราบอกนี่ให้จําเอาไว้ให้เว้นบาปห้าอย่างนี้อย่าทำให้ไปพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าเอาละไปเตะไปเตะพอแล้วครั้งหนึ่งอยู่ลำปาง อยู่แม่ปางอยู่ในดงช้างมามีเสียงดังควักๆเวลามันเดินมาช้างมันใหญ่ใกล้เข้ามาทางเดินจงกลมทหารเขาเอาเทียนมาให้หลายเราเอามาจุดติดตามต้นไม้ไว้ะว่างตลอดทางจงกลมเราก็เดินจงกลมกลับไปกลับมาสงบจิตอยู่ มันเดินเข้ามาใกล้ทางแล้วหยุดเฉยเราเห็นเราก็เดินจงกรมเฉยมันยืนอยู่นั่นจนสามทุ่มสีทุ่มกว่ามันจึงไป